เป้าหมายของการบําเพ็ญจิตตะภาวนาการบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขาใจที่เป็นอุเบกขาจะเป็นใจที่ไม่มีความรักความชัง ความกลัวความหลงจะเป็นใจที่เป็นกลางไม่ฝักไผ่ฝ่ายใดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อยากมีอยากเป็น อ, อ, อะไรทั้งนั้นศักติ์ว่ารู้ใจที่มีอุเบกานี่ จะเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งนี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญจิตตะภาวนาบำเพ็ญสมถภาวนาบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาการที่จะทำใจที่ไม่มีอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาได้ ในเบื้องต้นต้องทำใจให้สงบด้วยการเจริญสมมถพภาวนาการเจริญส ม, มถพภาวนานี้จะทำให้ใจสงบใจเป็นหนึ่งใจเป็นอุเบกขาแล้วพอได้ใจที่เป็นอุเบกขานี่แล้วเวลาออกจากความสงบ เวลาออกจากสมาธิก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะรักษาภูเบขานีไว้ต่อไปเพราะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาภาวนาใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ก็จะไปอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยาก ไปสัมผัสไปเส ษ, ษกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆพอเกิดความอยากขึ้นมาโอเบขาก็จะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงคือความวุ่นวายใจความทุกข์ใจก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้าคอยเจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆ คือสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่ความหลงจะหลอกใจใจของผู้ที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสนาภาวนาถึงแม้ว่าจะได้ สมัทธภาวนาได้ความสงบก็ยังเป็นใจที่โง่อยู่ใจที่ถูกความหลงหลอกอยู่หลอกให้เห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาพอเห็นอะไรว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดตัณหาความอยากให้สิ่งเหล่านั้น เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยากจะได้ให้อยู่กับตนไปนานๆพอเห็นว่าเป็นสุขขงังก็อยากจะได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองมาเสพมาให้ความสุขกับตนแต่สิ่งต่างๆที่ความหลงหลอกให้ไปคิดว่าเป็นความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป พอสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือหมดไปพอสิ่งที่ให้ความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ความสุขท่านจึงสอนให้มั่นเจริญวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่ออกจากสมถภาวนามาแล้ว ถ้าเห็นอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็จะทําให้ไม่มีความอยากได้อะไรเพราะสิ่งที่อยากได้ถ้าได้มาแล้วจะเป็นความทุกข์จะเอามาทําไมแต่ใจที่ไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ เห็นอะไรก็จะว่าเป็นสุขเห็นลาบยศสรรเสริญก็จะว่าเป็นสุขเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะก็จะว่าเป็นสุขพอเป็นสุขก็อยากได้เกิดตัณหาขึ้นมาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มานี่คือวิปัสสนาที่จะสอนใจ ให้ระงับความอยากต่างๆที่จะมาทําลายอุเบกขาที่ได้จากสมถะภาณาเพื่อจะรักษาอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาที่ถาวรใจที่มีอุเบกขาที่ถาวร น, นี้จะมีความสุขที่ถาวรจะไม่มีความทุกข์ที่ถาวรอยู่ภายในใจ นี่คือเป้าหมายของการบําเพ็ญจิตตะภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับที่หนึ่งคือส ม, มถะภาวนาการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วระดับที่สองก็คือการรักษาใจที่สงบที่เป็นอุเบกขานี้ให้คงอยู่ต่อไป ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในใจไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดไม่ว่าจะอยู่ในอดีตหรืออยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในอนาคตล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น นี่คือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะต้องบำเพ็ญเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาก็ต้องทำใจให้เป็นอุบเบกขาก่อนแล้วจะได้รู้ว่าการเจริญวิปัสสนานี้ s มีไวเพื่ออะไรเพราะถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาเวลาใจวุ่นวาย ใจไม่มีอุเบกขาก็จะสามารถกำจัดความวุ่นวายต่างๆให้หมดไปได้เพราะความวุ่นวายก็เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองพอมีปัญญามีวิปัสสนาที่มาชี้บอกว่าสิ่งที่เรากำลังวุ่นวายอยู่ด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อย เราก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังอัตตาอยู่คือเห็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราจะจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราเพียงคนเดียวไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปได้ อันนี้เป็นความหลงที่ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกจึงทำให้เกิดมีความอยากต่างๆมีความอยากในกามมคุณทั้งห้าคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุสะพะเนี่ยทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ต้องสอนให้อยากกันตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนแก่คนเฒ่านี้อยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิ่น อยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอยากได้มาครอบครองไว้เป็นสมบัติของตนให้เป็นอัตตาเป็นของตนให้เป็นนิจจังให้อยู่กับตนไปตลอดให้ความสุขกับตนไปตลอดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปพอเวลาเขาจากไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็จะตามมาความอยากที่จะได้ของมาทดแทนของที่เราเสียไปก็จะเกิดขึ้นใหม่ก็จะไปหามาใหม่หามากก่รอบก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกัน หามาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปดื่มไปรับประทานได้ความสุขจากการดื่มการรับประทานพอเสร็จจากการดื่มการรับประทานความสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากดื่มจากความอยากรับประทานก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ เกิดความไม่พอใจขึ้นมานี่คือปัญหาของใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ที่หลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพะหรือลาบยศสรรเสริญนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้ความสุขและจะให้ความสุขไปตลอดเป็นนิจจัง ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรเป็นสมบัติของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าใครก็ตามจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามจะได้าลาภยศสรรเสริญ จะได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมามากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องเสียไปหมดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจะหมดมิ้นกายก็จะหายไปหมดใจก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับตน นอกจากความทุกข์นอกจากความอยากที่จะต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเก่งรถใหม่ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ นี่คือสิ่งที่พวกเราทากันอยู่ตั้งแต่ลืมตาออกจากท้องแม่ขึ้นมาก็หาความสุขจากลาบยศรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพากันเพราะเห็นว่าเป็นสุขนั่นเองเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นเป็นซ้อนสุขของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวร มันไม่ได้เป็นความสุขของเราอย่างแท้จริงเพราะมันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วพอมันจากเราไปความสุขที่เราได้ก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะมาแทนทีน่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหลังจากที่เราออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้ว เวลาเราทำใจให้สงบใจเป็นอุบเบกขาใจมีความสุขใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆความรักความชังความกลัวความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วความอยากต่างๆก็จะโผล่ตามมา ถ้ารักอะไรก็อยากได้ถ้าชังอะไรก็อยากจะหนีอยากจะกําจัดสิ่งที่ชังให้มันหายไปหรือสิ่งที่กลัวให้หายไปถ้าหลงก็จะคุ้มคลั่งอยู่กับสิ่งที่หลงอันนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาและจะไม่มี วิปัสสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีการเจริญวิปัสสนานอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้วิธีเจริญวิปัสสนาแล้วนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ไปเรื่อยๆเพราะจะไม่รู้จักวิธีกําจัดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบทุกข์กับการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ นี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญ ว, วิปสัสสนาจิตตภาวนาขั้นแรกต้องทำใจให้สงบก่อนต้องเจริญสมถภาวนาก่อนใจที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้จะไม่เห็นคุณค่าของอุเบกขาจะไม่เห็นความสุขที่ได้จากความสงบจากอุเบกขาจึงต้อง สร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนวิธีสร้างอุเบกขาก็คือต้องควบคุมความคิดตรุงแต่งให้หยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดตรุงแต่งได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาใจก็จะเป็นความสุขจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากาลาบยศสรรเสริญ ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพชนิดต่างๆถ้ารู้ว่าความสุขที่ได้จะโอเบขานี้มันวิเศษกว่าความสุขทั้งปวงเวลาออกจากสมาธิมาเวลาความหลงมาหลอกให้ไปอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพก็จะต้องใช้ปัญญามาแก้ มาสอนมาชี้แจงให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิล่นรสผลตภะนี้เป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลาเสื่อมเวลาหมดไปก็จะทำให้ความสุขที่ได้หายไปจะทำให้เกิดความอยากที่จะต้องหาใหม่ แล้วถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่สูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราเสียสิ่งที่เรารักเสียคนที่เรารักเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกสุขหรือเรารู้สึกทุกข์กันนั่นแหละเรียกว่าทุกขังเพราะมันเป็นอนิจจังเพราะความสุขที่เราได้มันเป็นอนิจจังมันไม่ใช่เป็นนิจจัง มันเป็นของชั่วคราวมันมีเกิดแล้วก็มีดับได้มีมาแล้วก็มีไปได้เวลามาก็สุขเวลาไปก็ทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเวลามันจะไปเรามักจะมองแต่เวลามันจะมาเท่านั้นเห็นอะไรก็นึกว่ามันจะมาให้เรามีความสุขเห็นเงินเห็นทองก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้ เห็นสรรเสริญก็อยากได้เห็นรูปเสียงกิ่นลดพธัณฑก็อยากได้เพราะคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่มองเห็นว่าเวลามันจะไปจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้มาอย่างเดียวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเวลาไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจ พราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันมีมามันต้องมีไปมันมีเกิดมันต้องมีดับมันเป็นของเราเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเวลาหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดแล้วมันจะเป็นสุขขังได้อย่างไรเวลามันไปมันก็จะกลายเป็นทุกขขังไปนี่คือวิปัสสนาภาวนา คือการพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขนั้นว่าเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเอป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาของคนก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของรูปร่างหน้าตาของคนที่เราคิดว่าสวยว่างามต้องดูเข้าไปข้างใต้ผิวหนังเอ มองเข้าไปข้างในร่างกายมองเข้าไปดูอวัยว ะ, วะต่างๆเรียกว่าดูอสุภะหรือดูเวลาร่างกายตายไปเวลาร่างกายที่ว่าสวยว่างามนี้เวลากลายเป็นซากศพไปแล้วเป็นอย่างไรยังจะน่ารักน่าชมอยู่หรือไม่หรือเวลาที่แก่ชาราไป ให้ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะได้มาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายนี้สวยร่างกายนี้งามเพราะถ้าเห็นว่าสวยว่างามก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอุเบกขาที่ได้จากสมาธิได้จากความสงบก็จะหายไปก็จะเกิดความรักขึ้นมา ก็หลต้องใช้วิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาอสุภะเวลาที่ไปรักไปชอบร่างกายของคนนั้นคนนี้ต้องมองดูร่างกายของเขาเวลาที่เขาแก่แล้วเป็นอย่างไรเวลาที่เขาตายแล้วเป็นอย่างไรอย่างพระพุทธเจ้านี้เคยบอกให้พระภิกษุรูปหนึ่งที่หลงไหลข้างใคร กับรูปร่างหน้าตาสวยงามของของสุภาพสตรีให้ไปดูศพของโสเภณีที่มีชื่อเสียงที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามให้ไปดูศพของเขาเขาตายไปแล้วให้ไปดูศพของคนที่สวยที่งามเวลาตายไปแล้วนี่ยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ พอไปเห็นไปพิจารณาก็ละงับดับตัณหาความอยากได้ความอยากที่จะเสพกามได้นี่คือการใช้วิปัสสนาเพื่อมาแก้ตัณหาความอยากที่จะมาทำลายอุเบกขาที่ได้มาจากสมาธิเพราะผู้ที่จเจริญ สมถะภาวนาเพื่อได้สมถะได้อุเบกขานี้ยังไม่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็จะไม่รู้จักวิธีรักษาอุเบกขาไว้พอไปคิดหรือไปเห็นอะไรก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีเพราะจะเกิดความอยากอยากได้เห็นอะไร ที่สวยที่งามก็อยากได้ขึ้นมาเห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามก็รังเกียจกลัวขึ้นมา อ, อันนี้จึงต้องมาเจริญวิปัสสนาเพื่อมาแก้ตันหาเพื่อมาละงับละตันหาไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้าไปเห็นอาหารแล้วเกิดความอยากรับประทาน ท่านก็ให้พิจารณาความไม่น่าดูน่าชมของอาหารท่านสอนว่าอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานให้ดูอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เข้าไปในปากเคี้ยวถูกเคี้ยวแล้วก็ผสมกับน้าลายแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องแล้วเวลาที่ถ่ายออกมาถ้าดูอาหารในสภาพเหล่านั้น ในสภาพที่สกปรกอาหารที่ถ่ายออกมานี้ก็เป็นอาหารสิ่งที่ถ่ายออกมาจากทวารหนักนี่ก็เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่เราเห็นว่าน่ารับประทานอาร็ดอร่อยกันแต่ถ้าเรานึกถึงสภาพของเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในปากเวลาที่เข้าไปอยู่ในท้องลองเคี้ยวอาหารดู แล้วลองคลายมันออกมาดูคลายอาหารที่กำลังเคี้ยวอย่างอ ร, อร่อยนี้ออกมาดูหน้าดูตามันแล้วดูสิว่าจะตักกลับเข้าไปกินเข้าไปใหม่ได้หรือไม่หรือดูอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องแล้วตักกลับเข้าไปกินใหม่ได้หรือไม่หรือเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วยังอยากจะรับประทานอยู่หรือไม่ อันนี life, ้จะเป็นวิธีแก้ความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีเหตุไม่มีผลการรับประทานอาหารนี้เราต้องรับประทานกันปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าไม่รับประทานร่างกายก็ต้องตายอย่างแน่นอนแต่จะต้องรับประทานแบบไม่มีความอยากรับประทานเพื่อเยียวยาร่างกายแต่ไม่ได้รับประทานเพราะอยากจะรับประทานถ้ามีความอยากจะรับประทานนี้จะต้องแก้ ถ้าไม่แก้มันจะรับประทานอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งสองสามมือ้อสี่ห้ามื้อรับประทานอยู่ถ้ารับประทานแบบนี้มันก็จะติดติดกับการรับประทานเวียนลราก็จะท่องกลับมาเวียนไหวตายเกิดการปฏิบัติของเรานี้ต้องการจะตัดการเวียนไหวตายเกิดตัดตัณหาความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจ ต้องการให้รักษาอุเบกขาที่ได้จากการบาเพ็ญสมถภาวนาเพราะอุเบกขานี้จะให้ความสุขของเราให้ความสุขแก่เราและเป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาจริงๆอุเบกขานี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตา ถ้าเรารู้จักวิธีรักษาเราสามารถรักษาอุเบกขาให้อยู่กับเราไปตลอดสามารถทำให้อุเบกขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดทำให้เราสามารถถือความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้ว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ที่อุเบกขาอ น, นิจจังทุกขขังอนัตตา อยู่ที่ตัณหาความอยากต่างๆอยู่ที่สิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากอยากได้ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่อุเบกขาอยู่ที่ใจที่สงบความสุขปลอมอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลธรรพะถ้าเป็นของปลอมมันก็จะทำให้ใจทุกข์เพราะมันจะสุขเดียวเดียว แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันจะเสื่อมมันจะหายไปมันจะหมดไปนี่คือการบำเพ็ญจิตภาวนาที่มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเรียกว่าสมถะภาวนาขั้นตอนที่สองก็คือการรักษาอุเบกขา เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่ใจถูกความหลงหลอกให้ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอตตาเพราะความจริงของสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่สกปรกเช่นอาหาร อาหารนี่มันสกปกไม่น่ารับประทานเวลามันเข้าไปในปากเวลาเข้าไปในท้องแล้วเวลาออกมาแล้วนี่มีแต่คนวิ่งหนีกันไม่อยากจะเข้าใกล้กันอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเจริญหลังจากที่ได้สมถะได้วิเบได้อุเบขาจากสมถภาวนาก่อนถ้ายังไม่ได้ไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร พาอไม่รู้ว่าจะไปรักษาอะไรไม่มีอุเบกขาแล้วจะไปรักษาอุเบกขาอะไรยังไม่มีทรัพยสมบัติข้าวของเงินทองจะไปจ้างยามมาเฝ้าดูแลอะไรต้องมีทรัพยสมบัติข้าวของเงินทองก่อนถึงไปจ้างยามไปจ้างรอปพมาเฝ้าซเฝ้าสมบัติให้กับเราตอนต้นเราต้องสร้างความสุขทางใจคือความสงบ คืออุเบกขานี้ให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปจ้างรอปภคือจ้างวิปัสนาภาวนาให้มาดูแลรักษาอุเบกขาคือความสงบของเราเพราะผู้ที่จะมาโขขโมยอุเบกขาของพวกเราที่ได้จากสมถภาวนาก็คือตัณหาต่างๆนี่ตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเรา ถึงแม้ว่าเราจะได้ความสงบจากสมาธิแล้วก็ตามแต่พอออกจากความสงบมาปั๊บความคิดปรุงแต่งมันก็จะคิดขึ้นมาแล้วความอยากมันก็จะตามความคิดปรุงแต่งขึ้นมาทันทีคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานขนมคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงแฟนก็อยากจะไปนอนกับแฟนนี่คือสิ่งที่จะต้อง ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้วถึงใช้วิปัสสนาไว้ป้องกัน ร, รักษาอุเบกขาไม่ให้ตัลหาความอยากมาทําลายหรือมาขโมยไปถ้าทําข้ามขั้นตอนจะไม่ได้ผลถ้าไม่ทําสมถะภาวนาแล้วไปจรวิปัสสนาภาวนาก็จะได้ความพุ้งซ่านเสียมากกว่า จะไม่ได้ความสงบนอกจากที่พิจารณาอย่างถูกต้องเท่านั้นถ้าพิจารณาอยู่ในวงของายรักอยู่ในวงของอสุภะในวงของอาหาเลยปฏิกูลยสัญญาก็ยังพอที่จะทำใจให้สงบได้แต่เป็นวิธีที่ยากกว่าวิธีของสมถภาวนา วิธีของสมถภาวานานี้เพียงแต่ให้เพ่งจิต ด, ดูจิตอ่ะให้เพ่งใจให้ใจเพ่งดูอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดให้หยุดคิดเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็เฝ้าดูไปจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวจดจอ่ออยู่กับการกระทําของร่างกายในทุกอิリアบุตรอันนี้ให้ทําก่อนที่จะมานั่งหลับตาก่อนที่จะมานั่งหลับตาไนดะ้ใจต้องตั้งมั่นก่อนตั้งตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้ก่อนเช่นให้อยู่กับพุทธโธไปหรือให้อยู่กับร่างกายไป พอใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มานั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโทธต่อไปใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุบเบกขาได้หรือจะใช้ถ้าใช้ร่างกายเป็นการควบคุมใจเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆเหมือนกับเฝ้าดูร่างกายเวลาร่างกายเดินก็รู้ว่าเดินกําลังเวลายืนก็รู้ว่ายืนเวลานั่งก็รู้ว่านั่ง เวลาทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองไม่ให้ไปควบคุมบังคับอะไรให้เฝ้าดูเฉยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อใจจะได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้แล้วพอใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งเฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เกิดอุเบกขาขึ้นมาได้ ก่อความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พอได้สมะถะแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของอุเบกขาเวลาออกจากความสงบมาก็ต้องใช้วิปัสสนาหรือปัญญานี้มาคอยสอนใจเพื่อไม่ให้ไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาหรือถ้าเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนานี้ ระ ง, งับความอยากให้ได้ถ้าระ ง, งับไม่ได้อุเบขาก็จะหายไปใจก็จะต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งที่อยากได้แล้วก็วุ่นวายกับการดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแต่ถ้ามีวิปัสสนาถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่นิจจังมันเป็นอนิจจังมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นอัตตามันไม่ใช่เป็นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราก็ชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราหรือเราต้องไปจากมันถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะระงับความอยากได้สิ่งนั้นได้หรือถ้าเป็นคนเป็น คนที่เราชอบเรารักเราอยากจะได้มาเป็นแฟนมาเป็นภรรยาเป็นสามีเราก็ต้องมองเห็นให้เห็นอสุภะของเขาเห็นเวลาร่างกายที่สวยงามนี้กลายเป็นซากศพกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือมองเข้าไปข้างในอาไว้วาต่างๆที่มีซ่อนไว้ภายใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายอันนี้ มีลำไส้มีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีสมองมีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสละน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดก็น้ำปัสสาวะมีอยู่ในร่างกายนี้ครบหมดทุกอาการเรามองไม่เห็นกันหรือเราไม่มองกันนั่นเอง จึงไปหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักน่าชมน่าเอามาเป็นสมบัติไว้ครอบครองมาให้ความสุขแต่พอร่างกายนี้เปลี่ยนสภาพจากสวยงามก็ไปเป็นไม่สวยงามก็ไม่มีใครอยากได้เวลาแก่แล้วไม่มีใครอยากได้เวลาตายแล้วไม่มีใครอยากได้ต่อให้นเป็นร่างกายของดาราภาพยนตร์หรือเป็นของนางงามจักรวาล พอแก่พอตายแล้วไม่มีใครอยากได้เนี่ยเราต้องมองร่างกายของคนที่เราหลงรักหลงชอบว่าจะต้องแก่จะต้องตายจะต้องเป็นซากศพหรือขณะที่ยังไม่แก่ก็มองเข้าไปภายใต้ผิวหนังมองดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ดูสมองดูโครงกระดูก ถ้าเห็นอาการเหล่านี้แล้วตัณหาความอยากในร่างกายนี้ก็จะถูกตัดไปนี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่ผู้ได้บำเพ็ญสมถภาวนาแล้วได้อุบเบกขาแล้วจำเป็นจะต้องจเจริญต่อไปเพื่อที่จะได้รักษาอุบเบกขาให้อยู่อย่างถาวรตลอดไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ออกจากสมาธิแล้วถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาก็จะสามารถรักษาอุเบกขาไว้ต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาถ้าเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วอุเบกขาหายไปถ้าอยากจะได้อุเบกขากลับขึ้นมาใหม่ก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่โดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อน แล้วนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจไปก่อนใจก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาได้นี่คือกรณีที่ยังไม่รู้จักใช้วิปัสสนายังไม่รู้จักการพิจารณาอนิจจงว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจงพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกขขังพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเรา พิจารณาอย่างไรถึงเห็นว่ามันเป็นอสุภะพิจารณาอย่างไรถึงเห็นว่ามันเป็นของสกปกไม่น่ารับประทานอันนี้ถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาให้เห็นได้อย่างแยกคายเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิก่อนให้บริกรรมพุทโธไปก่อน พออยากจะได้อะไรปุ๊บก็พุทโธพุทโธไปก่อนหรือกลับไปนั่งหลับตาอย่าไปดูอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ถ้ายิ่งดูยิ่งคิดถึงสิ่งที่อยากได้มันก็ยิ่งอยากได้ขึ้นมาเดี๋ยวจนทนไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปหาสิ่งที่เราอยากได้ถ้าอยากจะได้คนก็ต้องวิ่งไปหาคนอยากได้กาแฟก็ต้องวิ่งไปหากาแฟอยากได้ขนมก็ต้องวิ่งไปหาขนม อยากจะได้ละครภาพยนตร์ก็จะต้องวิ่งไปหาภาพยนตร์หาละครอยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะต้องไปอุเบกขาก็หายไปหมดเหลือแต่ความวุ่นวายใจกับการที่จะต้องสแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องวุ่นวายใจกับการดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายเสีย อ, อกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งที่ได้ไป แทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายใจก็ต้องอยู่แบบวุ่นวายใจเพราะไม่มีการบำเพ็ญสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือความแตกต่างของผู้ที่บำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนากับผู้ที่ไม่บำเพญ็ญ ผู้ที่ไม่บำเพ็ญนี้จะต้องวิ่งไปหาราบยศรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆหาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอหาไปจนวันตายก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปแล้วก็กลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่เพราะความอิ่มความพอมันไม่ได้เกิดจากการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ ความสิ่ความอิ่มความพอนี้มันจะเกิดจากการที่เรามาบาเพ็ญส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นถ้าได้บาเพ็ญภาวนาทั้งสองระดับนี้แล้วเราจะได้ความอิ่มความพอได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป ขละผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านหยุดการมาเกิดแล้วท่านจึงอยู่ที่พระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือการหยุดมาเกิดนี้เองเราเรียกว่าจิตที่หยุดการมาเกิดนี้ว่าเป็นนิพพานนิพพานก็เกิดที่มีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบมีแต่ความสุข มีแต่ความสบายนิบานังปรมังสุขังนิบานังปรมังสุญญังาจไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่อุเบกขาไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไม่มีความอยากต่างๆยังไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีการสแสวงหาราบยศสระเสริญไม่มีการสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะอำนาจของการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนานี้เองจะทําให้ใจอิ่มใจพอเมื่ออิ่มเมื่อพอแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากได้ราบยศสระเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่อยากเป็นอะไร นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการบําเพ็ญจิตตะภาวนาที่มีอยู่สองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นเราต้องจเจริญสมถภาวนาก่อนเพราะมันเป็นขั้นที่ง่ายและสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องมีก่อนก่อนถึงจะไปขั้นวิปัสสนาภาวนาได้ แต่การทำสมถะภาวานานทำใจให้สงบนี้ก็มีวิธีหลายวิธีเช่นการวริกรรมพุทโธก็ได้การเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้โดยจะใช้ปัญญาก็พิจารณาความตายก็ได้พิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ได้ การพิจารณาด้วยปัญญาก็สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีการต่างๆในการทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาแต่พอเราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนใจให้ฉลาดมาแก้ความหลงที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือเป็น เป็นความสุขที่ถาวรเป็นเป็นความสุขที่เป็นของเราตลอดไปว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้มามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปหรือเราจะต้องเสื่อมละจากมันไปอันนี้ต้องสอนใจ แบบนี้สอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสรรเสริรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราความเจ็บความสุขความความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้ ถ้า e, ไม่ให้ร่างกายตายไม่ได้ถ้าไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ได้ถ้าไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ได้มันจะต้องเจ็บบ้างสุขบ้างสลับกันไปขึ้นขึ้ น, นลงลงถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดทำให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วก็ยังอยากจะไปเกิดใหม่อ ย, อยากจะได้ร่างกายอันใหม่ ก็จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขมาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพภาพใหม่ก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะแต่ถ้ามีวิปัสสนาภาวนามีปัญญาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ความหลงหลอกให้ใจไปอยากได้ว่าเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นนิจจังเป็นทุกขังไม่ใช่เป็นสุ ข, ขัง เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้ลาบยศสรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลเถรเพราะ <_ p are> เป็นการได้ความทุกข์มาใครไปอยากได้ความทุกข์มีแต่อยากจะได้ความสุขกัน <_ p are> ตอนต้นก็คิดว่ามันเป็นความสุขถึงอยากจะได้กันแต่มองไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจ์ มันจะต้องเป็นมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเนี่ยต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะได้ไม่ไปอยากได้พอไม่อยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นอุบเบกขาเหมือนเดิมใจก็ไม่ต้องไปเวียว่ายตายเกิดไม่ต้องไปยุ่งกับใครนี่คือเรื่อง ของการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากตันหาความอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญและได้รับผลมาแล้ว และเห็นว่าเป็นผลที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเพราะไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านต่อให้เป็นประธานาธิบดี ม, มหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีต่อให้ได้รับการสรรเสริญยกย่องเยืนย อ, อจากสถาบันต่างๆรับรางวัลต่างๆ ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่สามารถดับความอยากต่างๆไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือวิธีเจริญสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้บำเพ็ญกันท่านได้พิสูจน์แล้วท่านเห็นแล้วว่าเป็นวิธีเดียวที่จะนาพาพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงอใอ้พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาวิธีการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ไปศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผลคือความสงบความเป็นอุเบกขาของใจความตรสจากความรักความชังความกลัวความหลง ความปสัสจากความอยากต่างๆความปสัสจากความทุกข์ต่างๆความปสัสจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาธาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสกากะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกาปาจันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจฉันโตสัพโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาอภิวาทนสีลิตสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจในธรรมแง่ใดมุมใดก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุ ญ, ญาตไม่ตอบ ป, ปัญหาเพราะจะได้พักผ่อนเลิกลากันตอนนี้ใครอยากจะถามเลยถามได้ขอให้ขึ้นมา ถามที่ไมโครโฟนถ้าไม่มีใครจะถามตอนนี้ก็จะให้พิธีกร อ, อ่านคำถามที่ฝากมาทางจากทางบ้านก่อนคำถามจากเฟ e บุ๊ k จากคุณภาวนาอนัตตาค่ะในสมัยพุทธกาลได้มีผู้บรรลุ ธ, ธรรมจากการฟังเทศจากพระพุทธองค์และจากการบำเพ็ญภาวนากรรมฐานสี่สิบห้อง หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานมีการบันทึกพระธรรมคำสั่งสอนการทำความเข้าใจหลักธรรมจากการฟังสืบมาเป็นการอา่านหนังสือจารึกหลักธรรมจึงมีคำถามว่าการอา่านหนังสือธรรมะสามารถบรรลุธรรมขณะอ่านได้หรือไมค่คะก็ขึ้นอยู่ว่าอ่านแบบไหนถ้าอ่านแล้วพิจารณาไป ใจที่ด้วยใจที่สงบและด้วยใจที่มีปัญญาก็บรรลุทำได้อยู่ที่ว่าใจมีความสงบหรือไม่และมีกําลังที่จะละตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หรือไม่ถ้าละได้ก็จะบรรลุได้ คำถามจาก f a c e b o o คคำถามตอบัยค่ะจากคุณเสรีภาพเปาวันอยากทราบว่าเวลาภาวนาทำไมมันรู้สึกมึนๆตึงๆเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่เริ่มแต่ถ้ามันได้คลายก็จะเบาโล่งสบายครับมันเป็นกิเลสถ้าเวลาไปเที่ยวนี้มันไม่มึนมันไม่ตึงเวลานั่งดู ทีวีนั่งดูหนังดูละครมันไม่มึนไม่ตึงเวลานั่งเล่นไพน่นี้มันไม่มึนไม่ตึงแต่มอจะมานั่งภาวนานี่มันมึนมันตึงขึ้นมาทันทีนี่คือปฏิกิริยาของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรามันไม่ชอบนั่งภาวนาเพราะเวลานั่งภาวนาแล้วมันจะต้องถูกกําจัดนั่นเองกิเลสตัณหามันก็เลยต้องสร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆ เพื่อมาเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่อยากภาวนากันงั้นเราอย่าไปสนใจเวลานั่งภาวนาเราให้เจอให้ใจติดอยู่ติดอยู่จดจ่ออยู่กับการภาวนาถ้าใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นภาพลวงทั้งนั้น มันเป็นมายามันไม่ได้เป็นของจริงของจังอะไรถ้าเราไม่ไปให้ความสนใจกับมันเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเหมือนเมฆคำถามจากคุณมอมแม่ค่ะตอนนี้หนูปฏิบัติอยู่ที่บ้านสามวันที่ผ่านมาเวลานั่งอยู่จะกาหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวเอาจิตดูลมเข้าออกก็รู้ค่ะทาได้สักพัก ก็จะดับไปบูบมืดหมดค่ะแต่สติรู้ค่ะพอหายมืดตัวจะเบาจิตเบาถึงเช้าก็ยังตัวเบาจิตเบามันโปร่งเบาตัวไปหมดค่ะเวลาสวดมน์ก็จะเบาตัวโปร่งเบาเป็นมาสามวันแล้วค่ะพอหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านก็ตัวเบาจิตเบาเวลาจับหนังสือก็จะตัวเบาจิตเบา กราบถามว่าอาการนี้เป็นยังไงคะมันก็เป็นจิตเบาถ้ามันเบาแล้วมันสบายก็ใช้ได้การภาวนาก็เพื่อทำให้ใจเราเบ า, ใจ เ, า, เบาใจเราสบายไม่หนัก อ, อกหนักใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะเรียกว่ามันมีความสงบอยู่ในระดับหนึ่งก็ว่าได้จิตถ้ามันสงบแล้วมันก็จะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายใจ ก็ขอให้พยายามทําให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปตลอดคําถามจากคุณเทีรนาธพูลเิริทําอย่างไรจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้กรณีคนที่ไม่มีครอบครัวทําอย่างไรจะละความกลัวในการอยู่คนเดียวได้ลดความฟุ้งซ่านความกระวนกระวายในใจในอนาคต ไม่ให้คิดเยอะเกินไปจนนอนไม่หลับทําได้อย่างไรครับก็ต้องหมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆเจริญสติยเอยอะคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดนี่แหละที่ทําให้เกิดความกลัวเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปคิดมันก็จะไม่เกิดวิธีที่จะไม่คิดก็ต้องให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําอะไรต่างๆของร่างกายไปถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายได้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะว่างจากความคิดต่างๆใจก็จะเบาใจก็จะสบายแล้วถ้ามีเวลาว่างก็ให้นั่งหลับตาเพื่อให้ใจรวมเป็นสมาธิยิ่งจะมีความสุขใหญ่ถ้าใจรวมเป็นสมาธินี่มันจะ มีความสุขมีความอิ่มมีความพอมันจะอยากจะอยู่คนเดียวมันจะไม่อยากจะอยู่กับใครจะอยู่คนเดียวแล้วจะไม่รู้สึกเหงาไม่ว้าเหววิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าใจไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วใจมีความสงบแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งเกิดร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปจะไม่กังวลกับมัน มีใครดูแลรักษาให้ก็รักษาไปไม่มีใครมาดูแลรักษาให้ก็ปล่อยมันตายไปได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดคําถามจากคุณเภาสารัตค่ะตอนเช้าตื่นมาจะรู้สึกสลดหดหูมากๆค่ะจะแก้ไขใจอย่างไรคะก็ให้รู้ว่ามันสลดหดหูแล้วก็อย่าไปสนใจกับมันถ้ามันสลดหดหูก็ให้พุทโธพุทโธไปจะริญสติระงับความคิดต่างๆ ระงบการเจริญพุทธโธนี้จะระงับอารมณ์ต่างๆได้คำถามที่สองของคุณเพาค่ะภาวนาไปสักพักจะรู้สึกเบื่อมากค่ะขอทราบวิธีแก้ไขค่ะก็ให้บริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆให้ดูอารมณ์ว่าเป็นเหมือนอเมฆหมอกที่มันพัดมา มาบดบางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่มันก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวสักครู่มันก็จะผ่านไปอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอย่างเหมือนเมฆกับหมอกมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับมันเพราะไปยุ่งกับมันแล้วมันจะทําให้ใจเราเครียดมากขึ้นแล้วจะทําให้เราเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราสักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมัน หรือว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับหรือว่าถ้าไม่อยากจะไปสนใจกับมันก็ใช้คําบริการพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปให้ความสําคัญกับมันให้ความสําคัญอยู่กับการบริการพุโทโธพุธโทโธแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่มาทําให้ใจเราเศร้าหมองได้คําถามจากคุณจอเ น, น่ค่ะการทําดีช่วยให้ช่วยมนุษย์ให้พ้นบาปได้ไหมครับ ก็แลอวแต่ว่าความดีนี่อยู่ในระดับไหนถ้าระดับของอของพระพุทธเจ้านี่มันก็ก็ได้คือการสละทุกสิ่งทุกอย่างการตัดทุกอย่างการละตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีที่สูงสุดถ้าทำได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ คำถามจากคุณมนตรีสิริธรรมปิติรบ ก, กวนพระอาจารย์ช่วยขยายความข้อความในส่วนหนึ่งของบทสวดมนธรร ม, มจากที่ว่าจาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสาโคเป็นความสละคืนมุ ต, ติเป็นความปล่อยอนาอนาลโยเป็นความทำไม่ให้ที่ ให้มีที่อาศัยซึ่งตัญหานั้นแต่ละอาการมีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรครับอันนี้ไปถาม Google จะดีกว่าเราไม่ชำนาญเรื่องเรื่องภาษาอะไรต่างๆเหล่า น, นี้คำถามจากคุณทิติชนาลูกอยู่กับคุณแม่ที่อายุ85แล้วแม่มีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนในวัยเดียวกัน มีโรคประจำตัวเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้ทานยาตามหมอกำหนดฐานะก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่แม่จะไม่มีความสุขเลยค่ะจะบ่นว่าคนโน้นคนนี้แม้แต่ลูกที่อยู่ด้วยตลอดทุกสิ่งทุกคนไม่มีอะไรดีถูกใจแม่เลยพยายามเอาธรรมะให้แม่ฟังแม่ก็ไม่ค่อยได้ผลค่ะกราบเรียนพระอาจารย์มีวิธีอื่นใดที่จะทาให้แม่ มีใจที่ร่มเย็นโลมองเห็นสิ่งที่ดีๆรอบตัวมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่คะม่ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไปทําใจให้สงบไปภาวนาถ้าภาวนาได้ใจสงบใจก็จะมีความสุขถ้าใจไม่ภาวนาไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ต่างๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะระบายออกมาสู่ภายนอกสู่บุคคลต่างๆดังนั้นต้องใช้ธรรมต้องเอาธรรมเข้าไปในใจให้ได้วิธีจะเอาธรรมเข้าไปภายในใจขั้นต้นก็ต้องฟังธรรมก่อนเมื่อฟังธรรมแล้วรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรก็ปฏิบัติไปก็คือต้องภาวนาต้องเจริญสัมมาทิภาวนาเจริญสติ ทำใจให้สงบทำใจให้ว่างแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วก็จะไม่มีอารมณ์บูดเบี้ยวอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณนัดน่ารักการพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์เราควรเอาสภาวธรรมข้อไหนมาพิจารณาให้เข้าถึงธรรมะได้คะทุกข์อยู่ตรงหน้าแต่ปัดไม่ออกเจ้าค่ะก็ต้องพิจารณาว่า ของต่างๆเนี้มันไม่เที่ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเป็นธรรมดา mm hmm. เวลาไปก็อย่าไปเสียใจถ้าเสียใจก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงยังหลงยังรักยังติดอยู่ทั้งๆที่มันจากเราไปแล้ววิธีที่จะแก้ก็คือต้องทําใจให้สงบไนปะต้องเข้าไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วใจก็จะยอมรับความจริงได้ คำถามจากคุณศักดิรินพระนวกาถามเมื่อจิตเป็นมหันคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหันคตะในจิตตานุปัสสนาเป็นอย่างไรครับการแผ่จิตไปในอากาศกว้างโดยใช้ลิ้นปีเป็นศูนย์กลางเข้าลักษณะใดครับท่านนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถ้าเรียนมาจากคำพีก็ต้องไป หาคำตอบในคำภีคำถามฝากถามคะ่ะการเลี้ยงวัวควายไว้ขายและนำเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งเราก็รู้ว่าเขาซื้อวัวควายไปเพื่ออะไรเช่นนาไปโรงฆ่าสัตว์แต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมคะเราไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราส่งเสริม ช่วยให้เขาได้ทำบาปเป็นอาชีพที่เรียกว่าไม่เหมาะไม่ไม่สมควรไม่เป็นสัมมาชีพควรจะเลิกเลี่ยงอาชีพ ท, ที่ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อ<ม>ื่นเช่นค้าเป็ดค้าไก่ค้าวัวค้าควายถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าก็าตามแต่เราก็ทำให้เป็ดไก่วัวควายที่เราเลี้ยงนี้ ต, ตาย เราก็ควรที่จะเลิกเร่ออาชีพเหล่านี้แต่มันไม่บาปกับเราแต่คนที่เขาซื้อไปแล้วเอาไปฆ่านะั่นแหะจะเป็นบาปกับเขาเคำถามหมดแล้วเอมีใครอยากจะถามอีกไหมเอเดี๋ยวปิดไม้แล้วจะมาถามไม่ได้นั่นนะเพราะปิดไม้แล้วจะมาเลยเอเอทมาแล้ว ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราภาวนาะโดยการที่เดินจงกรมแล้วเราภาวนาะยกย่างเหยียบอย่างนี้ถือว่าได้สติไหมเจ้าค่ะถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ใจว่างจากอารมณ์ต่างๆก็ถือว่าได้สติได้สติแล้วเกิดปัญญาไหมเจ้าค่ะยังไม่เกิดนะปัญญาต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะเป็นปัญญาขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็เ อ, อ่อถ้าเราปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทมอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปปลีกวิเวกเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่สติปัญญาสมาธิของเรารถ้าเรามีสติปัญญาสมาธิที่สมบูรณ์อยู่ที่ไหนก็บรรลุได้จ้าค่ะ ข้อสุดท้ายเจ้าค่ะเราจําเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ไหคะการที่เราปฏิบัติธรรมไหคะการมีครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับการมีโคช้ชโค้ชนี้เขาจะมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเราเขาจะแนะนําบอกเราวิธีการต่างๆถ้าเกิดเราทําผิดเขาก็จะได้แก้ให้เราได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเองไม่มีโค้ชนี่บางทีเราอาจจะ ทำไม่ถูกแล้วเราไม่รู้ว่าทําไม่ถูกก็ได้นะงั้นถ้ามีโคช้ชนี้จะดีกว่าไม่มีแต่ต้องเป็นโคช้ชที่รู้จรงิงเห็นจรงิงเช่นพระพุทธเจ้าพระอังสารตสาวกเนี่ยถ้าได้อยู่ใกล้ชิดท่านได้เรียนศึกษาจากท่านโดยตรงนี้จะสําเร็จได้เร็วบรรลุได้เร็วจะไม่หลงทางแต่ถ้าไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จรงิงเห็นจรงิงก็ อาจจะหลงทางได้เหมือนกันดังนั้นการมีครูบาอ า, า, าจารย์นี่ก็ต้องเลือกครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าครูบาอาจารย์ที่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะสอนให้สอนเนาให้ไปในทางที่ผิดก็ได้ังั้นท่านมีครูบาอาจารย์ก็ดีแต่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะไปก่อน หนังสือพระไตรปิฎกนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธประตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่ว่ามันจะยากเพราะว่ามันมีหลายบทหลายหลายตอนบางทีเรากว่าจะอ า, อามีปัญหาอยากจะแก้นี่บางทีกว่าจะไปค้นหาเจอคำตอบก็อาจจะเหนื่อยก็ได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์พอเรามีปัญหาเราไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะแก้ให้เราได้ทันทีทันใด ขอบพระคุณในความเมตตาอาจารย์เจ้าคะ่ะรับเรียนภาษอาจารย์เจ้าคะ่ะคือคำถามที่ลูกมีอยากจะทราบจากครูบาอาจารย์นะคะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนที่เคยสร้างมาในอดีตถ้าเรามันปฏิบัติภาวนา นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำเราสามารถที่จะนําบุญนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทําให้เขาเอาโหสิกรรมให้กับเราได้จริงหรือไม่เจ้าค ะ, ะการอาโหสิกรรมนี่อยู่ที่ตัวคนที่เขามีเวรมีกรรมกับเราเขาจะเอาโหสิไม่อโหสินี่อยู่ที่ความรู้สึกของเขาถ้าเราไปทําในสิ่งที่ทําให้เขาเอโหสิเขาก็จะเอาโหสิ ถ้าเราทำแล้วเขายังไม่อยากจะเอาโหสิก็โหสิไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาได้จากเขาจากเรารึเปล่าเช่นเราไปขับรถชนคนตายแล้วทางพ่อแม่พี่น้องเขามาเรียกเงินทองจากเรานี้ถ้าเราให้ครบตามที่เ้าต้องการเขาก็เอาโหสิให้เราแต่ถ้าเราให้ไม่พอเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะจับเราเข้าคุกเข้าตารางนั้นมันอยู่ที่ว่า การโหสินี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เขาว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ถ้าเขาได้เขาก็จะเอาโหสิให้กับเราที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราภาวนาแล้วเราเอาบุญที่ได้จากการภาวนาไปให้เขาเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้เจ้าค่ะลูกขอบคุณขอเราเรียนถามพระอาจารย์คือ ในเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเรามองเห็นภาพหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราสามารถมองเห็นภาพจริงๆก็ลุงไม่อยากจะหลงในเรื่องของภาพที่เห็นเจ้าค่ะว่าเป็น เ, เป็นนิมิตหรือว่าเป็นจะกลายเป็นที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นมิปราฏแต่ว่า หลายครั้งที่ลูกเห็นก็คือจะมองเห็นกรรมของผู้อื่นซึ่งเมื่อก่อนลูกเคยบอกให้เขาทำตามที่เห็นว่าถ้าทุกแบบนี้ให้แก้กรรมแบบนี้ซึ่งเขาทำแล้วได้ผลจริงอย่างเช่นคนป่วยมาเป็น1ิบปีพอบอกให้เขาทำแบบนี้เขาก็ได้ผลจริงหายป่วยจริงแต่ณเวลานี้เหมือนกับการที่เราไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นทำให้เรา ได้รับผลกรรมนั้นเขาจะจองกรรมคนอื่นแต่เราไปยุ่งกับเขาเขาก็มาจองกรรมเราแทนทำให้เราป่วยแทนเพราะบางคนเขาไม่ทำตามที่เราได้บอกเขาแต่ณเวลานี้ลูกอยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าลูกจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกต้องมองเห็นลูกอยากนั่งสมาธิแล้วก็เดินตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเจ้าค่ะให้จิตสงบอย่างแท้จริงเจ้าค่ะ ก็เวลานั่งสมาธิถ้าพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้รับรู้แล้วเดียวมันก็จะหายไปพะจิตสงบทุกอย่างก็จะว่างจิตก็จะเย็นจะสบายก็ขอให้เราเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียง เรื่อเป็นความรู้สึกอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วตอบพุทธโธก็จะนำใจให้เข้าสู่ความสงบสู่ความว่างได้แต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะไม่ได้พุทธโธพอเราไม่ได้พุทธโธเราก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จิตก็จะติดอยู่ตรงนั้น อยาน้อย่าไปสนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้คำบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นต่างๆมันก็จะจางหายไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไปขอบพระคุณเจ ขอให้เราฝึกสติให้มากมากแล้วสตินี้จะเป็นตัวที่จะดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ถ้าสติไม่มีกำลังมากพออะไรมาสัมผัสก็จะเขวมาแล้วก็จะติดจะก็จะไปกับสิ่งที่มาสัมผัสพอเกิดภาพก็ตามรู้ภาพนั้นไปเกิดเสียงก็ตามรู้เสียงนั้นไปมันก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมา แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจจิตก็เราก็จะพุ่งไปสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะสบายจะไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจกับสิ่งต่างๆมีคำถามตกลนจากเ c e b o o k ค่ะคำถามจากคุณสุรสิทธส์สารนวรนาศจากที่อ่านหนังสือต่างๆมากล่าวไว้ว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้บุญมาก หางเทียบกับการเสียสละทำเพื่อผู้อื่นอย่างไรจะได้บุญมากกว่ากันคะเพราะเห็นว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นการกระทำเพื่อตอนเองแต่การเสียสละด้วยฉันทะนั้นเป็นการกระทำเพื่อตัวเองและผู้อื่นด้วยตัวอย่างเช่นหมอนักอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่ากริย์ผู้ปกครองประเทศด้วยธรรมเป็นต้น ทำไมไม่ดูพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าก็จะริญวิปัสสนาพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมมาโปรดสัตว์โลกอันไหนจะดีกว่ากันหมอกับพระพุทธเจ้าพระราชาหม า, หากษัตริย์กับพระพุทธเจ้าใครทําประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้มากกว่ากันหมอก็รักษาเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจรักษาไม่ได้พระราชาก็ช่วยดูแลร่างกายของพวกเราให้อยู่การปลอดภัยเท่านั้น แต่ก็รักษาใจของเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะสอนให้เรารักษาใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเจริญวิปัสสนาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นนี้มันยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ทั้งปลืงกระจายนะมี อ, อ, อมามยมา กับนวัต ก, การพระอาจารย์ครับกระผมสุจินรัตนทานทองครับมาจากจังหวัดกาลสิน์ครับผมมีคําถามอยู่สองข้อครับข้อแรกครับเอ่าผมเวลาผมนั่งสมาธิครับพระอาจารย์แล้วมันพรมันมาเจอความว่างอ่ะครับเพราะหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกอ่ะครับพระอาจารย์แล้วเขาจะหยุดอยู่แค่นั้นนะเขาไม่ไปต่อครับก็ถ้ามันเป็นภาพที่มัน เอื้อต่อการเจริญปัญญาก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราเห็นโครงกระดูกเราจะเพ่งดูโครงกระดูกนั้นต่อไปก็ได้แล้วโครงกระดูกนั้นก็จะทําให้ใจเราสงบได้แล้วก็จะทําให้เราเกิดปัญญาต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็นึกถึงภาพโครงกระดูกนั้นเวลาเจอเห็นร่างกายของใครก็ให้มองให้เห็นโครงกระดูกของเขาแล้วมันก็จะทําให้เรามีอสุภะ เห็นอสุภาแล้อเห็นมรณานุสติเห็นความตายมันก็จะทำให้เราละตัณหาความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายได้ก็เป็นประโยชน์ไม่เสียหายตรงไหนครับแต่บางทีเวลาเห็นนะเขาก็ถอนออกมาเลยครับรอาจารย์อ๋อหมายถึงพอเห็นแป๊บแล้วก็ถอนครับเขาจะถอนออกมาเลยครับก็เราก็กลับมาที่สติของเราต่อ เราใช้พุโทโธแล้วใช้อะไรแล้วก็ทําต่อไปก็เดี๋ยวก็กลับเข้าไปใหม่ได้อถ้าอยากจะนั่งต่อไปยังยังไม่สงบเต็มที่ถ้าเราพุโทโธเราก็พุโทโธใหม่ถ้าเราดูลมเราก็ดูลมใหม่แล้วเวลาเห็นกระดูกก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อ อ, อนนี้อันนี้ข้อที่สองครับ ถ้าถ้าผมบวชแล้วเนี่ยผมสามารถมาปฏิบัติที่นี่ได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าที่จะมีมีที่อยู่หรือไม่สองการปฏิบัติของเราอยู่ในกรอบ ใ, ในระเบียบกในกฎกติกาของวัดหรือไม่ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกติกาและมีที hum, ่อยู่อาศัยก็อยู่ได้กอบขบขอบขอบขอบขอบขบอบข ไม่ตาย okay. ครับพอาจารย์เ อ, อของโอกาสถามหนึ่งคำถามนะครับพระอาจารย์คือจากที่ผมสังเกตคนบางคนนะครับพอที่อายุมากๆอายุประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบเนี่ยผมก็เห็นบางคนจะเป็นสภาวะที่ว่าลืมครับเป็นเป็นสภาวะที่ว่าหลงจำไม่สามารถจำอะไรได้เลยจึงอยากให้พระอาจารย์ ช่วยช่วยแนะนำนิดนึงว่าคนที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นจิตของเป็นในลักษณะอย่างไงครับคือเรื่องของความจํานี้มันถ้ามันส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี้มันก็เสื่อมได้เพราะร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่เสื่อมไปตามวัยแต่ส่วนที่มันอยู่กับใจนี้มันไม่เสื่อมเช่นปัญญานี่มันจะไม่เสื่อม อริยาาสัจสี่นี้มันจะไม่ลืมถ้าผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่แล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นอนุสุภะแล้วตรงนี้เขาจะไม่มีวันลืมดังนั้นก็เรื่องของคนที่เขาเสื่อมส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าไม่มีสติ สติพอไม่มีสติมันก็จะจำอะไรไม่ได้หลงหลงลืมลืมทำอะไรแล้วก็ลืมแต่ผู้ที่มีสติถึงแม้ว่าจะอายุมากขนาดไหนเขายังจำได้อย่างหลองตาท่านอา ย, ยุเก้าสิบปดท่านก็ยังจำอะไรได้อยู่ทุกอย่างเพราะท่านมีสติสมปัจิชัญญะตลอดเวลาท่านทำอะไรท่านทำด้วยสติท่านไม่หลงไม่ลืมคือคือถ้าคนที่อายุมากๆแล้วลืมเนี่ยเอ มองว่าเป็นกรรมเก่าของเขาหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับมันก็เป็นกรรมที่มาเกิดนั่นแหละพอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่แก่มันก็ต้องหนงหนงนึ่มเลืมไปมันก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันกรรมที่เกิดจากตันหาความอยากอยากจะมีร่างกายอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยต้องมาเกิดแต่พอมาเกิดแล้วก็ต้องได้ร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ซึ่งซึ่งคนที่อยู่ในสภาวะนั้นคือเขาจะไม่สามารถเจริญสติต่อดได้แล้วใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะจำอะไรได้แล้วในในในกลุ่มคนกลุ่มนั้นนั่นะครับก็ขณะที่เขายังมีกำลังวังชาเขาก็ยังไม่เจริญเลยแล้วเวลาที่เขาไม่กมีกำลังวังชาเขาจะไปเจริญได้อย่างไรครับขอบคุณครับมีใครอยากจะถามอีกไหม